สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรสชาติเล่าเรื่องที่จะพาคุณไปสัมผัสเรื่องราวความอร่อยที่ไม่ใช่แค่อร่อยแต่ยังเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาวันนี้น้ำหวานพร้อมแล้วค่ะคุณโอ๊คสวัสดีครับน้ำหวานและคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆมาเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องของขนมไทยโบราณที่เชื่อ อ, อาจจะคุ้นหู แต่พอได้ทําความรู้จักจริงๆแล้วอาจจะทําให้เราต้องเกาหัวแกรกๆว่าเอ๊ะมันยังไงกันแน่นะ <c oughs> คุณโอ๊คพู้ซอยากรู้เลยค่ะแล้วขนมที่เราจะมาเล่าเรื่องวันนี้คือขนมอะไรคะวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องขนมหัวผักกาดบ้านโคกหัวข้าวครับฟังดูชื่อก็ขนมหัวผักกาดทั่วไปใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนครับขนมหัวผักกาดบ้านโคกหัวข้าวเนี่ยแทบจะไม่มีส่วนผสมของ หัวผักกาดเลยครับอ้าวจริงเหรอคะเนี่ยเหมือนซื้อแกงส้มแต่ได้ต้มยำเลยนะคะเนี้ยชื่ออย่างหนึ่งแต่ไส้ในอีกอย่างหนึ่งนี่แหละค่ะที่มาของเสน่ห์แรกเลยใช่ไหมคะคุณโอ๊คถูกต้องเลยครับน้ําหวานนี่คือความน่าสนใจแรกของมันเลยละครับเหมือนกับเรากําลังจะไปสํารวจป่าอเมซอนแต่ดันไปเจอภูเขาหิมะแทนมันสร้างความสงสัยและนําเราไปสู่เรื่องราวที่ลึกซึ้งขึ้นครับจุดเด่นแรกเลยนะครับน้ําหวานคือ ชื่อที่ชวนให้ชงหนขนมหัวผักกาดแต่กลับไม่ได้ใช้หัวผักกาดเป็นวัตถุดิบหลักเลยครับมันเหมือนเป็นปริศนาที่ขนมชิ้นนี้ทิ้งไว้ให้เราไขากันเล่นๆว่าทำไมถึงมีชื่อแบบนี้อาจจะเป็นการเรียกชื่อตามรูปลักษณ์ที่ดูเหมือนหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนสูตรมานานจนลืมต้นฉบับไปก็ได้ครับแต่มันก็สร้างความน่าสนใจให้กับขนมชิ้นนี้มากๆเลยครับ เตรียมปากกามาจดหรือเตรียมจินตนาการตามได้เลยนะคะเพราะเราจะพาไปดูทุกขั้นตอนเหมือนยืนอยู่ข้างๆคุณยายที่กำลังกวนขนมเลยค่ะดีเลยครับน้ำหวานผมเชื่อว่าหลายคนคงอยากรู้มากๆแล้วครับว่าจากวัตถุดิบธรรมดาๆรรเนี่ยมันจะกลายมาเป็นขนมที่มีเสน่ห์ได้ยังไง มาเริ่มต้นกันที่วัตถุดิบกันก่อนเลยค่ะคุณโอ๊คฟังดูเหมือนจะซับซ้อนแต่จริงๆแล้วอะ่ะคือของใกล้ตัวที่อยู่ในครัวเรือนชาวบ้านเลยนะคะหลักๆเลยก็คือแป้งมันที่เป็นหัวใจหลักให้ขนมเหนียวนุ่มตามมาด้วยกะทิสดหอมๆที่จะให้ความหอมหมันนวลเนียนแล้วก็น้ําตาลปี๊บที่เพิ่มรสหวานกลมกล่อมค่ะแล้วที่พิเศษกว่าขนมกวนทั่วไปก็คือมีส่วนผสมคาวหวานมาเจอกันครับนั่นคือหมูสับ ที่จะเพิ่มรสชาติเค็มๆ ม, มันๆและเนื้อสัมผัสที่เคี้ยวเพลินและต้องมีหอมแดงด้วยครับที่จะนำมาเจียวให้หอมเพิ่มกลิ่นเฉพาะตัวให้กับขนมนี้เลยนอกจากนี้ก็มีน้ำมันพืชสำหรับเจียวหอมแดงและขาดไม่ได้เลยคือถั่วลิสงคั่วที่จะใส่ตอนท้ายเพื่อเพิ่มความกรุบกรอบและกลิ่นหอมชวนน้ำไหลาอครับ ฟังดูแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณโอค๊คเหมือนเป็นการรวมตัวของทีมซูเปอร์ฮีโร่วัตถุดิบที่แต่ละคนก็มีหน้าที่ของตัวเองพอรวมกันแล้วก็ลงตัวสุดๆค่ะและสุดท้ายก็คือกล่องใส่ขนมสำหรับตักแบ่งหลังจากที่ทำเสร็จแล้วค่ะเมื่อวัตถุดิบพร้อมแล้วเรามาลงมือทำกันเลยครับ ขั้นตอนแรกคือการเตรียมแป้งและกะทิครับให้นำแป้งมันเทใส่ภาชนะค่อยๆทยอยใส่กะทิสดลงไปพร้อมกับนวดแป้งไปด้วยครับนวดให้เข้ากันดีจนแป้งไม่เป็นเม็ดและเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นก็มาละลายน้ําตาลและผสมกับแป้งค่ะในอีกภาชนะหนึ่งให้นําน้ําตาลปี๊บผสมกับหางกะทิหรือกะทิบางส่วนก็ได้นะคะคนให้น้ําตาลปี๊บละลายจนหมดแล้วค่อยๆเทส่วนผสมน้ําตาลที่ละลายแล้วเนี่ยลงไปในส่วนผสมแป้งที่นวดไว้คนให้ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วพักไว้ก่อนค่ะต่อมาเป็นการเตรียมส่วนผสมหมูสับและหอมแดงครับตั้งกระทะบนเตาใส่น้ํามันพืชเล็กน้อย พอร้อนก็ใส่หอมแดงซอยลงไปเจียวจนหอมและมีสีเหลืองทองอ่อนๆครับจากนั้นใส่หมูสับ ล, ลงไปผัดกับหอมแดงที่เจียวไว้ขนมหัวประกาศบ้านโคกขัวข้าวนี้เป็นมากกว่าขนมทั่วไปครับมันคือสั ญ, ญลักษณ์ของอัตลักษณ์หรือตัวตนของชาวไทยพวนในบ้านโคกขัวข้าวเลยก็ว่าได้การที่พวกเขายังคงทําขนมนี้ด้วยวิธีดั้งเดิมแม้จะใช้เวลาและแรงงานมากแค่ไหน ก็แสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในรากเงาและวัฒนธรรมของบรรพบุรุษครับเหมือนการได้ชิมขนมชิ้นนี้ก็เท่ากับเราได้สัมผัสถึงจิตวิญญาณของชาวไทยพวนไปด้วยเลยนะคะคุณโอก๊กถิ่นจริงๆค่ะคุณผู้พอลองนึกภาพตามนะคะการที่จะกวนขนม3าถึงสชั่วโมงเนี่ยมันต้องมีคนช่วยกันเยอะเลยค่ะนี่แหละค่ะคือสเสน่ห์ที่สองของขนมชิ้นนี้ที่มันเป็นเครื่องมือในการสร้างสายใยแห่งชุมชนขึ้นมาค่ะ ถูกท่องครับน้ำหวานการทําขนมโบราณหลายอย่างมักจะเป็นกิจกรรมที่ทําร่วมกันในครอบครัวหรือในชุมชนครับการลงแขกช่วยกันกวนขนมไม่ได้แค่ช่วยแบ่งเบาแรงแต่ยังเป็นโอกาสในการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวทําให้ความสัมพันธ์ในชุมชนแน่นแฟนขึ้นครับขนมหัวประกาศจึงเป็นเหมือนสื่อกลางที่เชื่อมโยงคนในบ้านโค้กหัวข้าวเข้าไว้ดีกันผ่านความเหน็ดเหนื่อยร่วมกันและความสุข ที่ได้ลิมรดความสําเร็จร่วมกันครับสุดท้ายนี้ครับสิ่งที่เราอยากเน้นย้ําคือการทําขนมหัวประกาศบ้านโคหัวข้าวนี้สุดท้ายนี้ครับสิ่งที่เราอยากเน้นย้ําคือการทําขนมหัวประกาศบ้านโคกหัวข้าวนี้ไม่ใช่แค่การทำอาหารเพื่อกินเพื่อขายครับแต่เป็นการสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ําค่าที่บรรพบุรุษชาวไทยพวนได้ส่งต่อมาให้เราครับใช่เลยค่ะคุณโอก๊กในยุคสมัยที่ทุกอย่างเร่งรีบการที่ยังมีคนในชุมชนที่ยังคงรักษาภูมิปัญญาเหล่านี้ไว้ ถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและสมควรแก่การอนุรักษ์อย่างยิ่งค่ะเพราะถ้าไม่มีคนสืบทอดขนมที่อร่อยและมีเรื่องราวแบบนี้ก็อาจจะเลือนหายไปตามกาลเวลาเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาวัฒนธรรมนี้ได้นะครับเพียงแค่เราสนใจไปเรียนรู้ไปชิมไปอุดหนุนหรือแม้กระทั่งช่วยกันบอกเล่าเรื่องราวของขนมเหล่านี้ออกไปก็ถือเป็นการช่วยให้ขนมหัวพักกัด วันนี้รักษาปะเพนีไว้หลายอย่างมีประเพนีทำบุญกลางบ้านกันทุกปีมีประเพนีสาไทยพวนสิ้นเดือนเกา้าเอ็ดห่อข้าวไปเจอนาะ พอถึงเดือนสิบเบขึ้นแปดคำมีบุญเทศพเวรเรื่องพเวสันดอนชาดกพอไปถึงเดือนหกขึ้นหกคำชาวบ้านทุกหลงังคาเือ กะนำเล้าขวดไก่โตไปไหว้ติ่งศักดิ์สิทธิ์คือปู่ตาบาลยังมีโบดินโบรามามึงมีหลวงพอ่อศักดิ์สิทธิ์คือหลวงพ่อวันที่ชาวบ้านก็ไหว ชาวบ้านเดือดร้อเรื่องประกาศได้ก็ไปกราบไหว้ขอพรพรใดแ ล, ลด้วพรใดล้ดขอเฮอบังเกิดแด่คณะท่านจัดงานเมื่อ น, นี้ขอท่านโชคดีกับผลงานที่ท่านสร้าง ท่านป้าธนาสิ่งใดก็ขอเฮส่ใจปองหากเจ้าคิดอยากมีเงินทองขอ เ, เงินทองมากองตรงหน้าเจ้าเอดธุรกิจการค้าก็ขอเฮเจ้าลำรวย ขอเพลินบุญนุนนำลอยเธอเจอแต่ความจเจริญลุ่งเรือ